าการมีเทคโนโลยีนี่ก็ช่วยเปิดหูเปิดตาของเราให้กว้างและไกลนะสมัยก่อนเราก็มีโทรทัศน์มีวิทยุนะแต่เด๋ยวนี้เรามีมากกว่านั้นนะมีโทรศัพท์มือถือมีคอมพิวเตอร์แล้วก็ออนไลน์ได้ตลอดเวลาก็ทำให้เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆมากมายการที่เรามีโอกาสนะเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายนี่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อเสียคือว่าไอ้หลายสงหลายอย่างที่มันที่เรารับรู้มาบางทีมันทําให้เราเครียดนะมันไม่ใช่แค่ข่าวสารบ้านเมืองเหตุการณ์โลกแต่อาจจะรวมไปถึงการทะเลาะเบาะแหวงกันการวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าด่าทอกันเรื่องแบบนี้เนี่ยนะพอเราเสพไปมากๆ รับรู้ไปมากๆก็เครียดได้นะแต่ข้อดีคือว่ามันก็มีเรื่องราวข่าวสารนะหลายอย่างที่มันจะลงใจเห็นแล้วก็สบายใจหรือว่าได้แง่คิดนะอย่างมเมื่อเร็วนี้ก็มีคลิปหนึ่งนะที่จริงหลายคลิปอยู่นะชายจีนคนหนึ่งนะกำลัง จะทำครัวแกก็เอาปลามาปลาจะไม่ตายเลยอยู่ในคุก็หยิบปลาขึ้นมาวางไว้บนเขียงแล้วก็เตรียมที่จะถ่าปลาขอดเกล็ดออกนะราะว่ามีหมาตัวหนึ่งนะก็เป็นหมาที่ชายคนนี้เลี้ยงไว้หมาโกลเด้นซะด้วยนะ ถ้าถางก็ฉลาดแล้วก็เชื่องแต่พอเห็นเจ้านายนี่กำลังจะฆ่าปลานี่เขาไม่ยอมนะพยายามทักท้ว ง, งทีแรกก็เอาเท้านี่เคียวเคี่ยแขนของเจ้านายให้ส ก, กิทนะว่าอย่าทําอย่าทําแต่เจ้านายก็ไม่สนใจหมาทำไงนะหมาก็เลยนะงับนะ งับตรงชายเสื้อคอยรั้งคอยยั้งเอาไว้ไม่ให้ทำไม่ให้ทำนะชายคนนั้นก็สุดท้ายก็รำคาญนะหมากงไม่ยอมนะพยายามดึงชายคนนั้นเนี่ยเข้าไปในบ้านชายคนนั้นเนี่ยนะก็ยอมนะเพราะหมาตัวใหญ่ลากไป ก็คสงสารทำลายของมันนะพอเช้านะเข้าไปในบ้านนี้หมาเนก็ล็อกประตูเลยนะปิดประตูเลยชายคนนั้นออกไม่ได้แล้วก็เอาปลาเนี่ยนะเอาคู่ใส่ปลาเนี่ยฆ่าไปฆ่าไปไหนไปแม่น้ำนะปล่อยปลาไมีอยากจะไหนฆ่าปลาเลือดจะเป็นเพราะสงสารปลาก็ได้แล้วมีคลิปนึงนะ ชายคนเดียวกันนี่แหละนะจะไปเอาเป็ดมาเลี้ยงเป็ดเอาไว้เข้าไปในบอ่อบ่อเลี้ยงเป็ดแต่เข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าหมาตัวนี้แหละมันดึงเอาไว้นะนะรั้งเอาไว้นะใช้ปากนี่แหละงับนะงับเสืองับกังเกงไม่ให้ลงไปไม่ให้ลงไปในบอ่อความที่ตัวใหญ่ก็เลยยั้งเอาไว้ได้ เท่านั้นก่ยงลากนั้นลากชาวนั้นเนี่ยออกไปนอกบ้านออกไปนอกบ้นานเสร็จก็ปิดประตูบ้านเลยเข้าไม่ได้เป็นนำว่าแผนการฆ่าเป็ดนี่ก็ต้องชะ ง, งักไปคลิปแบบนี้เนี่ยดูแล้วก็อดยิ้มในใจไม่ได้นะว่าหมานี่เขาสงสารปลาสงสารเป็ดแล้วก็อาจจะรักเจ้านายด้วย เนี่เจ้านายทำบาปที่จริงที่แบบนี้เนี่ยนะหมาตัวนี้อาจจะได้รับการฝึกมาได้รับการสอนมานะและที่เราเห็นอาจจะเป็นการแสดงก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมีความสามารถในการฝึกหมาหทำอะไรหลายอย่างเล่นละครสัตว์เล่นหนังนะหนังหลายเรื่องนี้ก็ มีหมาเป็นพระเอกหรือหมาเป็นตัวเอกทําอะไรหลายอย่างที่น่าทึ่งนะไอคลิปที่เห็นนี่ก็อาจจะเป็นการแสดงหรือว่าการที่ถูกฝึกมาก็ได้นะฝึกมาให้ให้ทํำอากับกิริยาที่ว่าได้รับการสอนมาก่อนนะแล้วก็เจ้าของก็ถ่ายนะ มันก็ทำให้คลิปแบบนี้เนี่ยนะได้รับความสนใจแต่บางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการมันคงยากนะที่จะบอกได้ว่าเป็นการสอนหรือเป็นการฝึกมาก่อนหรือไม่อย่างมันมีชายคนหนึ่งเนี่ยนะเอาปลาเอาเอ า, เอาไก่นะไก่ต้งนะตัวใหญ่เลยมาขังไว้ในกรงอนะ่กรงนี้ก็ มีปิดมิดชิดนะแต่ว่ามีประตูหรือมีหน้าต่างเขาก็ปิดประตูปิดหน้าต่างเนะี่ยด้วยการเอาไม้เนี่ยไม้เล็กๆเป็นซี่เนี่ยมาขัดเอาไว้เป็นสลักนะมาประมาณสักสามสี่ซี่นะทั้งบนทั้งข้างไก่เอาไม่ได้นะแต่เราก็มีไก่ตัวหนึ่งนะตัวก็ไล่ๆกัน มันรู้นะเพื่อนอยู่ข้างในเนี่ยมันทํอยังไงนะมันก็พยายามช่วยเพื่อนช่วยยังไงนะมันรู้นะวิธีที่จะช่วยเนี่ยต้องเอาสลักที่ขัดประตูนี้ออกมันมีจงอยปากอยู่นะมันก็ดึงสลักออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วมันก็ดึงออกมาจนหมดนะพอดึงมาจนหมดนะประตูก็เปิดนะเพื่อนก็ออกมาได้ก็เป็นคลิปไก่ช่วยไก่นะ เออนี้เนี่ยฝึกยากนะมาจะเคยทำมาก่อนจนเจ้านาย เ, ยเออเห็นว่าแปลกดี้วก็เลยนะลองจับเพื่อนมันสาเข้าไปในกรงไหมแล้วให้มันให้เพื่อนอีกตัวหนึ่งเนี่ยลองทำดูนะในแบบนี้เนี่ยคงจะฝึกยากนะสอนยากเพราะไก่นี่ไม่เหมือนหมาแต่ว่าเขาก็อย่างน้อยก็มี นะมีสติปัญญาอยู่บ้างแล้วก็มีความห่วงใยคลิปแบบนี้เนี่ยนะออแม้เราจะสงสัยว่ามันเป็นการฝึกมาก่อนเป็นการแสดงหรือเปล่านะแต่ว่าดูแล้วมันก็สบายใจนะแล้วขณะเดียวกันมันก็สอนใจเราด้วยนะว่าออสัตว์นี่มันก็มีน้ําใจนะมันก็มีความเอื้อเฟื้อเหมือนกัน เราไปคิดว่าสาันนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรนี่ในที่จริงไม่ใช่นะมันมีความรักความเมตตาความห่วงใยไม่ได้คิดแต่เอาตัวรอดที่แบบนี้เราก็สอนใจเรานะาเออแล้วเราล่ะนะเรามีน้ำใจหรือเปล่าเรามีความเ อ, อื้อเฟื้อเกือ้อกูลไหมที่จริงไม่ใช่เฉพาะาสัตว์พันธ์เดียวกันนะสัตว์ต่างพันธ์นี่มันก็ มีน้ำใจนะโซเชียลมีเดียเนี่ยนะข้อดีก็คือตรงนี้แหละนะคือมันทำให้เราได้เห็นภาพเห็นคลิปข้อมูลข่าวสารของอที่ดีๆนะคนช่วยเหลือกันหรือว่าสัตว์มีความเอเื้อเฟื้อกูนกันหรือว่าคนช่วยเหลือสัตว์นะอย่างเคยเล่าให้ฟังนะหมานี่โดนประสบุตปปิเหตุนะ คงถูกรถไฟเฉียวนะทีการเลยแน่นิ่ง น, ะนอนสบมอยู่ตรงรางรถไฟแต่ว่ามีไมายตัวหนึ่งนะมาเป็นเพื่อนมาคอยนั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆอยู่บนรางรถไฟนี่แหละอยู่ระหว่างรางรถไฟนี่ยนะตรงไม้หมอนรู้ว่าช่วยเพื่อนอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยก็เป็นเพื่อนนะพอรถไฟมาก็ไม่หนีนะหลบหลบโดยการก้มหัว ก้มหัวให้รถไฟมันแล่นผ่านไปธรรมชาติสัตว์นี่มันก็ย่อมกลัวนะกลัวเสียงดังแต่หมาตัวนี้นี่เขามีความกล้ามากกลัวก็กลัวนะแต่ว่ารักเพื่อนไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่ใช่การแสดงนะมันเป็นของจริงเลยที่คนเขาบังเอิญเห็นแล้วก็ถ่ายมาเราเห็นแล้วเราก็ชื่นชมนะแล้วก็รู้สึกดี คลิปแบบนี้เนี่ยเรื่องราวบันนี้มันก็ให้ความรู้สึกดีๆกับเรานะมันทําให้ใ ค, คลายเครียดได้แล้วก็สอนใจเราด้วยให้มีเมตตากรุณามีน้ําใจดีกว่าไปจดจ่ออยู่แต่เรื่องราวข่าวสารที่มันแย่ๆหรือการที่คนทะเลาะเบาแวงกันนะต่อว่าด่าทอกันพวกนี้รู้ไว้บ้างก็ดีนะเพราะมันก็เป็นเหตุการณ์บ้านเมืองแต่ว่าถ้าไปจดจ่อกับมันมากแล้วไม่ระวังใจให้ดี ไม่รู้จักดูจิตดูใจนี่ก็เครียดได้นะพอเครียดแล้วก็แย่เลยหรือจะมาฝึกเป็นเครื่องดูใจก็ได้นะเครื่องสอนใจนะว่าเวลาเราเกิดความเครียดระวิตกกังวลเนี่ยเห็นมันไม่ใช่ส่งจิตออกนอกอย่างเดียวมันก็เป็นสิ่งฝึกใจได้แต่ถ้าเรามีสิ่งดีๆมาช่วยจะลงใจนะมันก็ทําให้มีความสุขได้ง่ายแล้วก็มีกําลังใจในการใช้ชีวิตนะ